ตั้งไดฟังจะเรู้ผู้ทรมา ก, การฟังธรรมที่ทันว่าได้ความหมายถึงได้อุบายต่างๆในขณะที่ฟังบ้างได้ความสงบเย็นใจในขณะฟังบ้างนีเรียกว่าได้ความ ใช่ได้ความจดจําจากท่านแสดงไปยังไ ง, ไ ง, ไงเกี่ยวจดเกี่ยวจํามาไปอันนั้นเราเรียนก็ได้เรียนเราจำเอาได้แต่ได้ความสงบความเยือกเย็ยนภายในจิตใจขณะฟังและได้ความแยียบคายสะดุด ข, ขึ้นในขณะฟังธรรมเป็นนุบายของปัญญานั่นเขาเรียวกว่าได้ความ พระพุทธเจ้าท่านจะประธานทำให้แก่บรรดาสาวกพุทธบริษัทที่เราทั้งหลายได้เคยเห็นในตำราเสมอว่าบรรดาพุทธบริษัทที่ได้สําเร็จมาผลนิพพานต่อพระพักของพระพุทธเจ้าแต่ละข้างละข้างนี้มีจํานวนมากเพราะเหตุไยจึงต้องมีจํานวนมากผิด สมัยทุกวันนี้หลักใหญ่ก็คือเพราะผู้แสดงทำนั้นแสดงด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่ใช่ด้วยความด้นเดาด้วยด้วยความจดจำด้วยการคาดคะเนามาพูดมาแสดงแต่แสดงด้วยความรู้ความเห็นอันเป็นความจริงล้นล้วนทั้งสิ่งที่รู้ที่เห็นทั้งผู้รู้ผู้เห็นการแสดงออกจริงเป็นไปด้วยความจริงทั้งนั้น ความจริงก็ไม่ว่าจะชนิดใดเรียกว่าลบไม่ศูนย์ถ้าเป็นความจริงแล้วส่วนความปลอมนั่นลบศูนย์ไปได้ทีนี้ผู้ฟังก็เป็นผู้พร้อมแล้วมันเหมาะทั้งสองทางไม่ได้ฟังแบบประเพณีไม่ได้ฟังแบบเพียงจะจดจะจำเอาไปพูดในที่อื่นอื่นแสดงเขาฟังเป็นเชิง วัรู้อวดฉลาดว่าตนได้ยินได้ฟังได้ศึกษามามากแล้วพลาดไปโดยไม่รู้สึกตัวไม่ใช่อย่างนั้นผู้เทศ ค, คือพระพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมก็ม่แสดงเพื่ออย่างนั้นเหมือนกันสแสดงเพื่อหัวใจของสัตว์โลกที่มุ่งอัดมุ่งทำด้วยความบริสุทธิ์พระไทยด้วยพระเมตตาเป็นสําคัญมากกว่าอย่างอื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นการแสดงธรรมจึงปรากฏผล แก่ผู้ฟังมากมายก่ายกองแต่พ่ออย่างยิ่งภิกษุบริษัทร์ที่จะออกไปจากสกุลนั้นๆไปบวชในพระพุทธศาสนาด้วยความตั้งใจเพราะเสียสละมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาสาวกเหล่านั้นมีสกุลต่างๆกัน มีพระราชามหากษัตริย์เร ศ, ศรษฐุนสีกระดุมพลีปกหาประชาชนคนสามัญธรรมดาแต่สำคัญที่พร้อมแล้วทางปิตใจเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่ออัดเพื่อทำก็เหมาะสมกับธทมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์และด้วยความรู้จริงเห็นจริงเมื่อพร้อมกันแล้วผลก็ย่อมปรากฏขึ้นมาไม่มากก็น้อยจากนั้นบรรดาสาวกก็ สู่สถานที่บำเพ็ญธรรมที่เรียกว่าเข้าสู่แนวรบรบกับกิเลสตัณหาอาชะวะรบกับอันในก็ตามไม่ได้ยากเย็นเข็นใจทุกลำบากเหมือนกันกันกบรบกิเลสภายในจิตใจของตัวเองพระพุทธเจ้าทรงรบอยู่ถึง6ปีสรบสลายแทบเป็นแทบตายจนเป็นประวัติอันสํำคัญซึ่งหาใครจะเสมอเหมือนไม่ได้เรื่องความลาบากลาบุญในการรบ กับกิเลสซึ่งมีอยู่ในพระไทยของพระองค์เองเป็นเวลาหปีจึงได้ใช้ชนะที่เรียกว่าตรัสรู้ธรรมความหมายถึงปราบกิเลสซึ่งเป็นเครื่องก่อควรพภายจิตใจให้ราบคาบลงไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่แม่น้อยแล้วได้นำธรรมที่บริสุทธิ์ซึ่งได้ทรงค้นพบแล้วนั้นมาประกาศให้บรรดาสัตว์โลกข้างหลได้ทราบความจริง ท่านภูมิมีความสนใจค่ายต่อธรรมอยู่แล้วมีจํานวนมากเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็เป็นเหตุให้ทราบซึ้งถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างหรือไม่ว่าอะไรถ้าลงได้เข้าถึงใจแล้วย่อมมีพลังมากทําเมื่อเข้าถึงใจแล้วย่อมเป็นเหตุให้ปลุกความรู้สึกทุกด้านขึ้นมาเพื่อจะประกอบความภาพเพียร ในอันที่จะทำละสิ่งที่เป็นค่าศึกโดยที่ได้ทราบจากพระพุทธเจ้าแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นคาดศึกสิสนี้เป็นบุญเป็นคุณเป็นผลเป็นประโยชน์มากน้อยแล้วก็ไปบำเพ็ญสถานที่ท่านบำเพ็ญสถานที่เรียกว่าชัยสมรภูมิท่านสอนบรรดาสาวกสาวกว่าลุกขโมเลเนสนานสัญญมิซาจะปัปปะจาราเตยาวชิวงังอุซาโฮการณีโยมันประชาทไปหมดแล้วให้ถือทั้งหลายได้ ไปอยู่ตามลูกขมูลล้มไมช้ชายป่าชายเขาอันเป็นที่สงัดิเวกในการประกอบความเปลี่ยนมือความสะดวกให้ทำความพยายามอย่างนี้ตลอดชีวิตเถิดนแล้วอาศาตราอาวุธที่มอบให้ในการเข้าสู่สงครามก็เฟษาโลมานาขาลันตาตะโจเป็นต้ น, นอาการตั้งห้านี้ให้พิจรารณาซึ่งมีอยู่กับตัวของตัวทุกคนนี่แลเป็น สิ่งที่ปกปิดกำบังสรรโลกให้มืดมนอนตการก็คือสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงต้องบุกเ บ, บ, บ, บิกสิ่งเหล่านี้ออกด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนท้องตนอย่าได้ลุ้ละในสถ า, านที่เป็นชัยสมรภูมิอันเหมาะสมท่านสอนไว้อย่างนี้บรรดาสาวกที่ฟังแล้วก็ต่างองค์ต่างไปประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญตรงอยู่เต็มสติกำลังความสามารถโดยไม่อะไรเสียดายในชีวิตจิตใจความเป็นอยู่แต่เป็นจะตายจต่ลำบาก พูดเครื่องอะไรก็ตามแต่มุ่งเพื่ออั ต, ตว่าธรรมโดยถ่ายเดียวซึ่งมีกำลังมากจึงสามารถลบล้างความทุกข์ความลำบากและความเป็นอยู่ปวเป็นอยู่ป่วยทั้งหลายได้เป็นไปด้วยความราดรุ่นในทางความภาคเพียรแล้วก็ปรากฏเป็นบุคคลพิเศษขึ้นมาโดยได้สำเร็จพระโสดาบันโสดาบ้างสกีทาคาบ้ง้งอนาคาบ้างอะหันบ้างเรื่อยๆแล้ขยับขยายออกไปกว้างขวาง สบบาวกจิมปากวดขึ้นมาในโลกเป็นสังฆังสัณังกะฉามิให้โลกทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเบื้องต้นก็มีแต่พุทธังสัณังกะฉามิกับธรรมังสัณังกะฉามิคือเราบรรดาผู้โทษัตว์ถือพระพุทธเจ้า พ, พระธรรมเป็นสรณะเป็นที่ฝากเป็นสักตายพอต่อมาก็เลยถือพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้รบรรลุธรรมพิเศษขึ้นมาเป็นสาระ นี่คือแนวทางดําเนินของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาแล้วและสั่งสอนสาวกให้ดําเนินตามเพื่อมรรคผนิพพานจริงๆไม่ใช่ถือศาสนาถือเพียงเป็นพิธีฟังเพียงเป็นพิธีเรียนพอเป็นพิธีเมื่อผลปรากฏขึ้นมาก็ไม่ได้เรื่องอะไรเล้ยวไหลผลคือความเล้ยวไหลถ้าทําพอเป็นพิธีพิธีแล้วก็ผลก็คือเลี้วไหล ถ้าทำจริงแล้วต้องรู้จริงเห็นจริงเพราะศาสนธรรมไม่ใช่เป็นเครื่องเป็นสิ่งหลอกลวงสัตว์โลกออกมาจากท่านผู้จริงจังทั้งการประพฤติปฏิบัติทั้งความรู้ความเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากการปฏิบัติการแสดงก็แสดงออกด้วยความตัดความจริงตามเหตุตามผลความจริงที่มีอยู่มากน้อยไม่มีใครสามารถที่จะขุดค้นอัตธรรมให้เหมาะสมแก่จลิยมิตรของบรรดานสาต์โลกเหมือนพระพุทธเจ้านั้นเลยและการแสดงก็แสดงด้วยท่ามเมตตา ศาสนาธรรมจึงออกมาจากพระเมตตาของพระพุทธเจ้ารุ่นล้วนประทานให้แจกสารโลกตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นับจำนวนเป็นสองพันห้าร้อยสิบเก้าปีนี้แล้วหลังจากพาระพุทธเจ้าผ่านมิผ่านมาเว ล, ลาพระองค์ทรงพระชนอยู่ก็สี่จุห้าพันพระพรรษาที่ประกาศศาสนาธรรมโดยพระองค์เองและสาวกช่วยทาหน้าที่แทนพระองค์ด้วยและตลอดมาทุกวั น, น ไม่ใช่มาด้วยเหตุอื่นมาด้วยน้ําพระทัยที่เต็มไปด้วยความเมตตาของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนในเวลาสุดท้ายที่จะปริพันธ์สุภทาปริพาชกมีความหิวกระหายในธรรมของพระพุทธเจ้าและจะเข้าเฝ้าในขณะนั้นถูกพระอานุ์ห้ามไว้มาเวลานี้พระองค์กําลังลําบากอยากเข้าไปรบกวนพระองค์เลยเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบน้ำกระลับสั่งให้เข้ามาทันที แล้วประธานพระอวราชย่อๆบรรดาปัญหาที่สุภทัพปริพาชกที่สาวกราหารคนสุดท้ายนั้นทูลถามพระองค์ก็เลือกประทานให้เฉพาะบทที่จาเป็นจำเป็นเท่านั้นเพราะเวลาเรามีน้อยให้เธอได้สดับบฟังเฉพาะที่จาเป็นแล้วประวัติเพนในให้ได้สาเร็จมาผลนิพพานในส่วนวันนี้แล้วก็ทรงเสียสละ ประทานโพษว่าให้แกสุภะสุภทาปรถุาพาทุกคนนั้นจากนั้นแล้วก็ทำหน้าที่ประนีผ่านเป็นวาราสุดท้ายนี่เราจะเห็นได้ด้วยอำนาจแห่งพระเมตตาของพระโอรสตานธรรมดาเราใครจะไปยินดีสั่งสอนใครคนถึงข่าวจะเป็นจะตายอยู่แล้วนอกจากจะช่วยตัวเองก็ไม่ไหวอยู่แล้วยังไหนจะไปช่วยคนอื่นได้ห่ะแต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้น ช่วยสัตโลกจน ถ, ถึงวาระสุดท้ายธรรมจึงออกมาจากพระเมตตาร่วมดวงแล้วลบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้รู้ธรรมเห็นธรรมตามพระโพธิเจ้าก็มีเมตตาเต็มหัวใจเช่นเดียวกันไป แ, แนะนําสั่งสอนศักดิ์านาในสถานที่ใดๆไม่เคยมีความมุ่งหวังโลกามิกแม้แต่น้อยภ า, ายในหัวใจของสาวกนั้นนั่นเลยก็ เ, เหตุว่าสาวกเหล่านั้นเป็นธรรมทั้งดวงแล้วภ า, ายในจิตใจ ไม่มีอันใดที่จะประเสริฐยิ่งกว่าธรรมธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดในหัวใจธรรมเป็นสิ่งที่ทำให้ความพอใจทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ขึ้นหมดภายในใจเพราะใจเป็นธรรมธรรเป็นใจเรื่องโลกมิตรธายนอกอันเป็นธรรมดาของโลกของสารที่ก่อาศัยกันทัานก่ออาศัยแต่ธรรมดาแต่ความที่จะมาคิดในแง่เหล่านี้อันเป็นนิสัยของโลกเป็นปียญาของโลกนั้นท่านไม่มี ทำทีท่านสั่งสอนไปมากน้อยแม้จะไม่เหมือนพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็เต็มหัวใจของสาวกที่มีความเมตตาต่อพุทธบริษัทเช่นเดียวกันเราได้รับธรรมะจากพระพุทธเจ้ามาด้วยพระเมตตาจากสาวกท่านมาด้วยพระเมตตาที่เรียกว่ า, าศาสนาธรรมซึ่งออกมาจากพระเมตตานี้เราเห็นคุณค่าแห่งพระเมตตาของพระพุทธเจ้าอย่างไรบ้างหรือไม่ หาจะไม่เห็นคุณค่าของพระเมตตาของเจ้าแล้วก็แสดงว่าเรายังไม่มีคุณค่าภายในตัวของเราควรจะคิดค้นขึ้นมาให้เห็นสาระสําคัญแห่งศาสนาธรรมที่ออกมาด้วยพระเมตตานี้แล้วย้อนเข้ามาพิจารณาตัวเองว่าเรานี่มีคุณค่าควรจะทาที่เติมเต็มด้วยพระเมตตาหรือไม่ตัวเราเองมีความเมตตาใจตนเองหรือไม่ประการใดเราควรมาคิดหางสุขีโตโหมีนิจุป โ, โหมิจาก่อนเราก็ไม่ได้พิจารณา แล้วย้อนมาพิจนารณาแล้วรู้สึกว่าซึ้งไม่ว่าสัพเพสตาลว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพืนทุกข์ก็เจ็จบตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น เ, น เ, เวลาตัวอาวียาประชาอันมีคาเลยว่ามันไปแล้วก็อาหารตัวโตหัวมีทุกโหมิเรา ม, มาเที่ยวความเมตตาตนเมตตาอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นความเมตตาที่ถูกต้องการเมตตาตนเองก็คือ น้อมเอาธรรมะมคำข อ, องพระพุทธเจ้าที่ออกจากท่อเมตตาเข้ามามเมตตาตนเองด้วยการประปฏิบัติกรรมจากสิ่งที่เป็นค่าศิกต่อจิตใจของตนออกมาได้โดยลำดับลำดับนีาาน้สมภูมิหรือสมเจตนาของพระพุทธเจ้าที่ประทานทำให้แก่สารโลกโดยแท้และเราผู้รับก็รับด้วยความเห็นสาระสำคัญของถงัเพื่อจะมาประคับประคองตอนเอง ที่เรียกว่าเมตตาตนเองพยายามแก้ไขตนเองด้วยการบําเพ็ญกุญญาณความดีดังท่านทั้งหลายที่ได้ก ป, ปฏิบัติมาเดิมดับนี้ชื่อว่าเป็นผู้ดําเนินในทางที่ถูกต้องมีงามตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและชื่อว่าเป็นผู้บําเพ็ญในทางเมตตาตนอาหัสุขิโตโหมิไว้เราให้มีความสุขทําอย่างไรเราถึงจะมีความสุขเวลานี้มีแต่ความทุกข์มันกุ้มรุมหัวใจอยู่ตลอดเวลาทางร่างกายก็หมุนเป็นเกลียวยิ่งกว่าตังหัน และทางจิตใจก็หมุนตัวเป็นเพียวยิ่งกว่าไฟเป็นยังไงทํายังไงถึงจะให้มีความสุขความสงบความเย็นใจก็น้อมเอาหลักธรรมะเข้ามาสั่งสอนอบรมตนเองโดยอุบายต่างๆเพื่อให้ใจของเราได้รับความสงบใจเมื่อมีความสงบแล้วก็ต้องเย็นต้องมีความท้าสุขสบายอ่อนโยนจิตใจเมื่อรับการซักพ้อการปลุกผลอบรมแล้วก็อ่อนโยนมีความสุขความสบายนี่เรียกว่าอาหารสุกิโตของมิ ขอให้เราให้มีความสุขนี่ตุกโขโหมีปราศจากทุกทุกคือความกังวลวุ่นวายทนายใจขึ้นเป็นเรื่องของกิเลสอันเครื่องก่อควนจัดโลกอยู่ทั่ ว, วไปไม่ใช่ของดีแต่สารโลกชอบมากเพราะไม่ทราบจะชอบอะไรมันมีอย่างนี้ก็ต้องชอบอย่างนี้เพราะของดีกว่านี้มันไม่มีให้ชอบเพราะฉะนั้นจึงต้องบำเพ็ญของดีตามหลักธรรมพุทธยที่สั่งสอนด้วยกิจตภาวนาเป็นต้นให้จิตใจรับความสงอบเย็นใจนี่จะเป็นของดีกว่าความทุกข์ หางสุขุลโตโหมิก็ปรากฏขึ้นมาแล้ ว, วเราเป็นสุขมีความสงบสุขเย็นใจเพราะการบําเพ็ญจิตใจการปลูกการอบรมการธรามานจิตใจจนได้รับความสุขขึ้นมาเพราะที่เรศจริงให้ร้ายทั้งหลายมันห่างไกลออกไปจากใจใจก็มีความสงบทุกก็ปราศ จ, จากไปในเวล า, านั้นระยะเวลาปชะนี้ค้างเหมือนการจะเบียดเบียนตนเองด้วยจีิยธรรมยาการกระทําคําพูดคําจาความคิดความปรุงต่างๆซึ่งเป็นค่าสึดต่อตอนเรียกว่าเป็นการเดียดเบียนเป็นการพยายามตนเอง พยายามแก้ไขาที่ตรงนี้สุขเคียตนางปริหารันตุจะนาตนไปสู่ความสุขความสุขเมื่อแก้สิ่งที่มันก่อบกวนให้เกิดความทุกข์ยืนภายในจิตใจนี้ออกได้โดยลนดับจงกระทั่งหมดไปโดยเพีงเฉิงแล้วความสุขก็ปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจเองโดยไม่ต้องไปหาที่ไหนตามพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วถึงพระนิพพานในขณะที่ตรัสรู้ธรรมถึงบรมสุขในขณะที่จิตถึงขั้นบริสุทธิ์ไม่ต้องไปหานิพพานที่ไหนกัน ความตรหงอาคือความหลงความตื่นเงาความจริงโดยแท้คืออะไรอะไรทําให้จิตได้รับความว่าวุ่นขุนเมื่อตลอดเวลานี่คืออะไรถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสเป็นผู้ควรใจให้รับความทุกจะเป็นอะไรในโลกนี้มันมีอะไรเหนือกิเลสแต่นในเรื่องก่อความทุกข์ให้เกิดสัตว์โลกน่ะการแก้ก็แก้ลงที่จุดซึ่งมันเกิดเหตุอยู่ตลอดเวลาภายในใจของเหล่านี้ด้วยข้อปฏิบัติเมื่อแก้ทิพนี้ลงไปแล้วด้วยสีสมาธิปัญญา อันหมาะสมแก่การแก้กิเลสแล้วกิเลสก็จะค่อยหยุดลอยไปโดยลาดับจกนกระทั่งถึงขั้นโมจิจุตแล้วท่านไม่หานิพานท่านจะไปหาที่ไหนนิพานคืออะไรเ น, น, ออรนีอันนั้นเป็นชื่อเหมือนอย่างคําว่ากิเลสกิเลสก็ชื่อของมันตัวกิเลสจริงๆเราไม่ทราบมันเป็นยังไงตั้งแต่ที่มันดีบคั้นหัวใจตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบมันเป็นกิเลสเห็นรับความทุกข์ความลาบากส่วนมากมีแต่เรื่องของกิเลสเท่านั้นทําพิษของทําพิษให้แต่คนอันนั้นจะมีชื่อไม่ชื่อวกัตามกิเลสมันไม่สนใจกับชื่อ มันสนใจจตหน้าท no, no, no, no, no, no, no, no, ี no, no, no i. I it, same, ่ของมันที่มันจะทํำนี่การแก้เราเหมือนกันแก้ลงไปด้วยอาจด้วยธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างไรอุบายใดที่พระองค์เคยได้รับผลมาแล้วทรงนําอุบายนั้นมาสอนเราก็นำอบายั้นมาแก้ตัวของเราเพราะพิเรศเป็นประเภทเดียวกันถ้าพระพุทธเจ้าแก้ได้ด้วยอุบายอย่างนั้นสาวกทั้งหลายท่านแก้ได้ด้วยอุบายอย่านั้นอุบายอย่างนั้นทําไมเราจะแก้นํามาแก่พิเรศประเภทเดียวกันนี้ไม่ได้ถ้าเรามีความภาคเพียงเสียอย่างดีมันก็แก้ได้เมืดแก้ได้ จนหมดภารกิตใจแล้วไม่ถามไม่ถามไม่หานิพานก็ไม่หาหาไปทําไมไม่หลงฮ อ, อยากไปนิพานจะอยากไปทําไมไม่หิวนี่ความหิวคือเรื่องของยิ่งเลยเนะอยากนนอยากนี่มันก็หมดเพราะความอยากเป็นเรื่องของยิ่เลยทั้งหมดเมื่อถึงความพอตัวแล้วมันก็หมดความมี่หยนิดชขาโตไปนี่บูโตกันเป็นผู้ดับสนิทแล้วในสิน่งที่ต่อสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายหรือดับสนิทแล้วจากสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลาย มิจฉาโตไปที่บุตโตหมดความหิวความกระหายบรุษมะสุขจะหาได้ที่ไหนไม่ต้องหาเพียงสิ่งที่เป็นข้าศึกหมดไปบรุษมะสุขก็เกิดขึ้นเองจิตนี้อยากเป็นสุขตลอดเวลาแต่หาอุบายที่จะแก้ตนให้เป็นสุขไม่ได้เรามันช่วยตัวเองไม่ได้อุบายต่างๆที่เราจะนํามาช่วยตัวเองก็ไม่มีจึงต้องอาศัยหลักธรรมของพระเจ้าผู้ทรงเฉลียวฉลาดสา ม, มารถมาแล้วแนะนํา โอวาทของท่านเข้ามาอบรมสอนตนแต่พวกเราแม้จะได้อวาทมาด้วยพระเมตต า, าพระยปตามมันก็ไม่สนใจขี้เกียดขี้กร้านการจะทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนา น, นี่ต้องหาเรื่องหาราวยุ่งก่อควรตัวเองจนกระทั่งผ่านไปเฉยวันคืนปีเดือนไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเรามีมากเพราะกิเลสมันหลอกลวงต้มตุนอยู่ตลอดเวลาถ้าอยู่ดีๆแล้วกิเลสไม่ว่า นั่งคุยกันทั้งวันก็ได้ไปที่ไหนไปได้ทั้งวันไม่กลัวเสียเวลาเวลาพอจะมาประกอบความภาพเกียนที่เป็นผลเป็นประโยชน์นี่เอาแล้วที่ยุ่งแล้วเกิดเรื่องขึ้นมาภายในใ จ, ใจิตใจเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้หาที่เป็นมาได้กลัวเป็นบ้าบ้างอะไรบ้างแต่เวลาเป็นบ้าสุดร้อนๆ อ, อยู่นีน่มันเราไม่ว่าแต่พอจะภาวนาให้เป็นคนดีกลับกลัวเป็นบ้าก็มีเยอะม่ะก็พราะกิเลสมันหลอกนั่นเอง หลวงกิเลสมันเป็นศาสตราจารย์ของวัตจักรมันอยู่เหนือหัวใจของใครๆทั้งนั้นแล้วไม่กลูอะไรด้วยในโลกทั้งสามนี้กลัวแต่ทำถ้าทําแล้วกิเลสกลัวแต่ไอเราก็กลัวทำก็เลยเข้าฝ่ายกิเลสเนี่ยทําแล้วไม่เข้าถึงใจมีแต่กิเลสเต็มอยู่ความอยู่บนหัวใจแล้วก็บโนกันอยากจะเป็นสุขอยากได้รับความถูกความสบาย หายวุ่นหายวายหายนั้นหายนี่ว่าอยากไว้เฉยแต่ถูกกล่อมตลอดเวลาให้จมอยู่ภายในกองทุกนั้นในวันไหนเดือนใดปีใดที่จะมาฉุดลากเราให้พ้นจากทุกถ้าไม่เราไม่อาศัยตัวเองฉุดลากตัวเองโดยทำรรที่กันว่าอัตตาเหตุโนโนาโถตนนั้นแหลเป็นที่พึ่งของตนเราจะหมอายออกอะไรถ้าไม่หมายถึงการฉุดลากหรือการเลื้อฟื้นตัวเองให้ขึ้นจากหล่มลึกลึกพิเรศอาสวะอันเป็นสิ่งที่ก่อ ควรทำลายให้รับความทุกข์ควาลำบากนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่เป็นค่าตศึกต่อจิตใจของสัตว์โลกมีเท่านี้พระพุทธเจ้าท่านก็นสอนลงที่จุดนี้แล้วกิเลสของป ร, ประเภทต่างๆของเรากับขั้งพุทธการมีผิดกันที่ตรงไหนความโลภมันก็มีเหมือนกันความโกรธความหลงเหมือนกันราคาโทสามหะมีเหมือนกันเป็นกิเลสประเภทเดียวกันอุบายที่จะแก้กิเลสก็คือศาสนาธรรมมีมัชชิมาเป็นต้นก็เป็นธรรมที่เหมาะสม อย่างยิงย่งอยู่แล้วในการแก้ที่เดชอสระทุกประเภทให้สิ้นไปจากใจหากเรานําเอาขึ้นปฏิบัติก็เป็นไปได้อย่างพระพุทธเจ้าไม่สงสัยเพราะคําว่ามัจฉิมานี้ไม่มีต้นไม่มีปลายไม่มีเรียวมีแหลมอย่างที่เดชพาให้เสกสรรว่าที่เดช ว, ว่าธรรมะหมดเฉกหมดสมัยศาสนาหมดเฉกหมดสมัยมรรคนิพานไม่มีอทํางังไงก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ละเพราะเราไม่ทำํำจะอะไรมาได้ผู้ทําก็ได้อยู่งั้นแหละ เรา่องของว่าเอาตามเรื่องของเกศมันกล่อมเราที่เรื่องมันกล่อมคนให้สําคัญตนว่าฉลาดอ่นี่เยอะแต่ความสาคัญว่าฉลาดตามเรื่องเกศเท่าไหร่นั่นแหละเรื่องโง่มันยิ่งนีมากแต่ถ้าว่าเรื่องของทำแล้วจะไม่แสดงฉนาดเท่าไหร่ยิ่งยิ่งลึกยิ่งซึ้งยิ่งเหมือนคนโง่แก้ลงไปแก้ลงไปแล้วก็เห็นทวนตัวของไปเรื่อยเรื่อเรื่อยเนี่ยทำเครื่องแก้ที่เรืมัชชิมา เป็นศูนย์กลางเป็นความเหมาะสมกับการแก้เกลเลททุกประเภทยอยู่ตลอดมาและตลอดไปด้วยคําว่าศาสนาหมดเหตุหมดสมัยนั้นมันหมดกับรายของบุคคลผู้ไม่ประพฤติปฏิบัติตามแล้วมันก็หมดอยู่อย่างนั้นแหละคนคนนั้นก็เป็นโมฆะบุญบุโมฆะชตรีแต่ผูดตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระเจ้าท ร, ร, ร, ร, ร, ร, รสงสอนก็คือผู้ผิดผลขึ้นมาอยู่เสมอด้วยการกระทําความดีงามของตนอั่งเราทั้งหลายบำเพ็ญอย่างนี้ เราจะเชื่อใครใยิ่งกว่าเชื่อพระพุท ธ, ธเจ้าคนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกมีกิเลสทั้งนั้นเราถือว่าความแน่นอนจากคนมีกิเลสได้ที่ไหนพระพุทธเจ้าเป็นบรมศาสนาเป็นผู้บริสุทธิ์ตรัสรําใดออกมาเป็นสวกาตธรรมคือตรัสชอบทั้งนั้นไม่มีที่ตำหนิปีเตียนว่าผิดไปมากน้อยเราไม่เชื่อคนประเภทพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเชื่อใครชานิธรรมเป็นสิ่งที่เลิ่ประเสริฐอยู่แล้วที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ ถ้าไม่เชื่อธรรมนี้เราจะเชื่ออะไรทั้งทาสนองกรฉาญมีไม่ใช่ผู้ต้มตุตต้นหลอกลวงโลคนี่เป็นผู้บริสุทธิ์เป็นสาวกอรหรันถ้าเราไม่เชื่อทั้งสามรัตนา น, นี้เราจะเชื่ออะไรแม้แต่ตัวเองเราก็มีกิเลสแล้วเชื่อตัวเองเรายังเชื่อไม่ได้ที่ดูสิเราจะไปเชื่อคนอื่นได้ยังไงให้เต็มจิดเต็มใจถึงต้องน้อมจิตใจเข้าไปเชื่อธรรมคนนั้นแหละจะแทบคลาดปลอดภัยไปโดยลําดับลำหนับ ความขี่เกียจขี้ค้านความสําคันต่างๆก็จะค่อยหมดไปเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสหลอกมนุษย์ทั้งนั้นเราไม่ทราบว่าถูกต้องถุกตือนวันหนึ่งกี่ครัง้งกี่คราวนับเป็นจำนวนร้อยๆพันๆเป็นหมื่นแสนแสนครั้งถาาว่าเราจะลงสติสติว่าเขียนไม่ทันเรื่องความหลอกลวงกลมายังกิเลสร้อยสันพันคมลอกอยู่ในหัวใจเรานั่นเนี่เราจะทราบได้อย่างไรทราบได้ด้วยการปฏิบตัติเมื่อมีสติมีปัญญา ให้ทันกันโดยลําดับแล้วกิเลสออกมาในแง่ใดรู้กันเท่าทัรู้เท่าทันกันโดยลําดับลําดับแก้กันได้ไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีอะไรจะมาหรอกเราจึงทราบได้ชาติว่าโอ้จิตตรงนี้เคยถูกกิเลสหลอกต้มตุ๋นมาตลอดเวลาบัตรนี้หมดแล้วเรื่องความต้มตุ๋นไม่มีมีแต่ความผาสุกเย็นใจอาการดิโกหาการหาสมัยหาไมื่อไรเวลาไม่ได้สถานที่ก็ไม่มี มีแต่ความทาสุกอยู่โดยสม่ำเสมอนั่นและท่านเรียกว่านิพานนางปรมังสุขขังเราจะไปหานิพานที่ไหนหาที่กิตดวงที่ถูกกิเลสกลุ้มลุ่มอยู่นั้นด้วยการชำระออกให้หมดแล้วก็การเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานั่นเป็นผู้หมดกรรมหมดเวญภานในจิตใจส่วนนิบากเกี่ยวกับภายนอกนั้นมีได้ เป็นพระพุทธเจ้าแม้แต่สรูเป็นศาสดาแล้วก็ยังมีกรรมเกี่ยววิบากกระขันภายนอ ก, กตามได้แต่เพียงวิบากเท่านั้นกระขันเท่านั้นไม่สามารถที่จะทำจิตตัวองค์ให้หวันไหวฝุ่นมัวหรือเอง น, นเอ็นโอนเองไปตามได้พอสิ้นซากของสมมุตินี้แล้วก็เป็นนั้นว่าบริสุทธทิพุทโธอนุภาทิเสส า, านิพานไม่มีสมมติแม้น้อยเข้าไปเกี่ยวข้องเลย นั่นคือที่สุดแห่งศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโลกยกสัตว์โลกให้ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้แต่ความทิ้นความเกิดแก่เก็บตายความทุกข์ยากลําบากตัวประการทั้งปวงที่สัตว์ไม่พึงปรารถนาเยอะทั้งหมดปรากฏแต่ความเบื่อสุดล้วนๆเท่านั้นนให้นำไปพิพจารณาเราทั้งหลายเป็นเจ้าของแห่งศาสนาธรรมเราเป็นชาวพุทธ พุทธคือท่านผู้ฉลาดนำธรรมมาสั่งสอนโลกเรานำธรรมของพระพุทธเจ้ามาประพฤติธปฏิบัติกรรมจากดพิเรพภายในจิตใจของตนแต่คือว่าเป็นพุทธบริษัทที่ดีผลลายได้เกิดขึ้นจากการประพฤติธปฏิบัติมากน้อยจะเป็นของเราล้วนๆไม่มีผู้อื่นผู้ใดมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นมาแบ่งสรรปันส่วนเอาไปเลยเป็นของเราโดยสุธทธิการแสดงธรรมเพรามาสมควรหากว่าท่ธธานผู้ใดจะมี มัญหาข้อหงใยซึ่งจะถามกันในการต่อไปก็เปิดโอกาสให้ข อ, อยุติเพียงตรง น, นี้